ยต่อ น, นี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันอยู่ในศาลาการประเรียนวัดอรัญญบุพจนีจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาฝึกกายให้ส ง, งบฝึกใจให้ส ง, งบ เมื่อมีจุดมุ่งหมายอย่างนี้แล้วขอขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทำจิตใจให้สงบทำกายให้สงบให้ได้เพราะกายกับใจมันเนื่องกันถ้ากายเคลื่อนไหวไปมาโย จิตใจก็เคลื่อนไหวเช่นเดียวกันถ้ากายนิ่งจิตใจมันก็ชอบจะนิ่งดังนั้นการฝึกนี่จึงชัว่าฝึกทั้งสองอย่างฝึกทางกายด้วยฝึกทั้งจิตใจด้วยการฝึกใจก็อาศัยสมาธิ เป็นเครื่องควบคุมมันก็ทิ้งส ง, งบลงได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสพาษิต้วยว่าสติแต่ตั้งนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสจิตม่ให้ไหลตกไปในที่ต่ำ อุปมาเหมือนอย่างบุคคลที่กั้นกระแสน้ำที่ไหลเขี่ยวเพื่อให้น้ำนั่นมันไหลเออเข้าไปสู่นาสู่สวนเขาจะต้องทำทำตนบให้แข็งแรงถ้าทำนบไม่แข็งแรง กระแสน้ำพุ่งเข้ามากระทบเอามันก็พังลงก็ไม่ได้น้ำใส่นาใสสวนนี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตนี้ถ้าไม่มีสติห้ามกระแสะแห่งความคิดความนึกอันเป็นไปด้วยอำนาจแห่งตัณหานั้น จิตนี้ก็ย่อมสงบไม่ได้เลยกุศลธรรมก็ไม่เกิดขึ้นก็ขอให้พากันเข้าใจคำว่าการสั่งสมบุญกุศลน่นนะเ่มันก็หมายถึงการทำจิตให้สงบนี้เองนะจึงเรียกว่าการสั่งสมบุญกุศล ถ้าใจไม่สงบแล้วมันยอะมันไม่ยอมที่จะรับรู้บุญคุณคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประเสริฐอย่างไรมันก็ไม่ยอมรับรู้บุญกุศลมีประสิทธิภาพอย่างไรดีอย่างไรมันก็ไม่รับรู้จิตนิธา ถ้ามันไหลไปามกระแสะแห่งตันหาแล้วมันจะไม่สนใจเลยข้อนี้ทุกคนพิจารณาดูตนเองนั้นยอมรู้ได้ถ้าใจมันไม่ไหลไปามกระแสะแห่งตันหาแล้วมีสติยับยั้งไว้ให้สงบสงับอยู่ในปัจจุบัน เส่นนี้แล้วมันก็ย่อมรู้อะไรต่ออะไรตามความเป็นจริงได้ในชีวิตนี้เรียกว่ารู้เรื่องราวของชีวิตได้ตามความเป็นจริงแต่ต้องอิงอาศัยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เราจะรู้โดยไม่มีหลักเกณฑ์รู้โดยไม่มีหลักเกณฑ์นั้น มันเป็นความรู้ปรรำปราไม่แน่นอนเลยยืนยันไม่ได้ mm hmm. ถ้าเรายึดเอาหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเครื่องวินิจฉัย mm hmm. เครื่องตัดสิน mm hmm. ช น, นีมันเป็นของแน่นอนอื mm hmm. มเขาว่าพระองค์พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงตัดสรู้แจ้งแทงตลอด ด้วยลำพังพระองค์เองก่อนคนอื่นทั้งหมดไม่มีใครเจจาละอาศวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจก่อนพระองค์ไม่มีเลยดังนั้นจึงทรงพระคุณนามว่าสัมมาสัมพุทธโธ แปล ว, ว่าพระผู้ตัดรู้ชอบด้วยพระองค์เองเรามาเถอะเอาคำสอนเอาพุทธประวัตินี้เป็นเครื่องวิิจัยแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าคำสอนของอุตเจ้านี่ประกาศถึงความจริงแท้ ก่อนอื่นที่พระองค์เจ้าทรงสั่งสอนสัตวโลกนั้นพระองค์มีพระประสงค์ให้ผู้ฟังทั้งหลายนั้นได้รู้จักกองทุกในชีวิตนี้เป็นจุดสําคัญเลยทีเดียวถ้าคนเรานั้นไม่รู้จักทุกแล้วมันก็ไม่เบื่อโลกสงสารอันนี้ก็ไม่อยากพ้นจากทุกนี้อืม นีท่านเนีว่าหลงเห็นทุกเป็นสุขไปชีวิตนี่เป็นทุกข์อยู่แสนสาหัสหแท้ๆก็ยังเห็นว่าเป็นสุขอยู่อย่างนี้นะมันก็เห็นตรงกันข้ามกับคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็เคลื่อนข้าจากความเป็นจริง ความเป็นจริงแล้วร่างกายอันนี้มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเพราะต้องหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงมันอยู่อย่างนั้นขาดปัจจัยสี่แล้วก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นคำว่าเป็นทุกข์นั่นเสมอคาว่ามันทนได้ยากทนลำบาก ยังจะหิวข้าวมาอย่างนี้ก็กระทับกระส่ายแล้วหิวน้ำมาก็กระทับกระส่ายแล้วไม่ได้ดื่มน้ำเมื่อเวลาหิวก็เป็นทุกข์ไม่ได้รับประทานอาหารเวลาหิวก็เป็นทุกข์ถึงเวลานอนไม่ได้นอนก็เป็นทุกข์ถึงเวลา แสดงความล่าเริงบันเทิงต่างๆไม่ได้เป็นไปตามประสงค์ก็เป็นทุกข์ไม่มีเงินทองจะใช้จ่ายก็เป็นทุกข์ผู้ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์แสวงหาอย่างไรก็ไม่ได้สมประสงค์มันก็เป็นทุกข์ผู้มีอัตภาพร่างกายนี้มา แล้วก็มีแต่โรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนอย่างนี้ก็เป็นทุกข์มีผัวมีเมียมีมลูกมีเต้ามาก็ไม่ถูกต้องปองดองกันคอยแต่ทะเลาะวิวาทการขัดแย้งกันก็เป็นทุกข์ ทรงพรณ น, นาดูความทุกข์ดูสิมากกว่านี้อีกลองสังเกตดูที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในอริยสัจจธรรมทั้งสี่อ น, นาชาติความเกิดเป็นทุกข์นะ่ะมันเป็นอย่างไรอ่ะนันแะเพียงแต่ชี้แจงแสดงมานี่ก็พอที่จะเห็นได้แล้วว่า ชีวิตนี่เป็นทุกข์เพราะมันเนื่องอยู่ด้วยอุปปัจจัยเครื่องอาศัยเมื่อขาดปัจจัยเครื่องอาศัยแล้วมันก็กระวนกระวายอยู่ปกติไม่ได้เลยอย่างนี้ ดังนั้นเนี่ยขอให้พากันพิจารณาดูให้ดีแล้วอะไรแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ต่างกล่าวมานี้ตัญหาอุปาทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ทนทรมานอย่างนี้ตัณหาความอยาก อตอนรูปร่างไม่สวยก็อยากให้มันสวยอยากให้มันสวยอยู่นั่นแหละถือมั่นอยู่นั่นแหละทำบุญกุศลอะไรกับปารนาขอให้รูปสวยรูปงามอย่างนี้นะตอนเสียงไม่ไพเราะเหมือนคนเอ่นก็อยากให้เสียงไพเราะเพราะพิ้งให้เมื่อคนได้ยินได้ฟังแล้วให้ติดอกติดใจ กลิ่นตัวไงหอมหวนก็หาน้ำอบํำหอมมาประพรมอยู่เรื่อยให้กลิ่นนั่นหอมอยู่ไปอย่างนั้นเนี่ยอ อะไรอะไรก็มุ่งหวังว่าที่จะให้ได้รับสัมผัสอันที่น่าชอบอกชอบใจทั้งนั้นเลยมันจึงอยู่เป็นสุขใจถ้าได้สัมผัสกับสิ่งที่ไม่ต้องการไม่ปรารถนาแล้วก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่นะก็อยากให้มันเป็นไปตามประสงค์ อันนี้แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่ากันหามันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นก็เมื่อมันอยากนั้นแล้วมันก็ยึดถือที่บ่านี่เอาชาตินี่ไม่สวยไม่งามก็ขอให้ชาติหน้ารูปนี่สวยๆงามๆทำบุญกุศลอะไรแล้ว ก็ตั้งปรารธนาลงไปเช่นนี้นะนีนะท่านเรียวกว่าอุปาทานนะว่าที่บุญกุศลตกแต่งให้มีรูปสวยรูปงามแล้วก็หลงทีเนี้ลงกำนัดกินดีอยู่ในรูปสวยรูปงามอันนั้นไปและผู้มีรูปสวยรูปงามก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่ง สมมติว่าเป็นผู้หญิงอย่างนี้นะอ้าวก็มีแต่ผู้ชายอยากได้อ้าวก็มาแสดงความสมัครรักใคร่ร้ายผู้ร้ายคนเข้าไปบันนี้ใครก็อยากได้ก็แย่งกันนะนใจดำอำมมหิดก็บอกว่าอ้าวเราจะต้องฆ่าคนเหล่านี้ให้ตายเสียแล้วเราถึงจะได้รูปนี้มา ครอบครองอืมแล้วก็วางแผนฆ่ากันตายเขาเรียกว่าชิงชู้มีอยู่ทมไปตั้งแต่สมัยใดชาติใดภาษาใดเหมือนกันหมดเลยแต่อย่างนี้นะตองพี่รามันเห็นผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะ พระพุทธเจ้าจึงได้อุปมาไว้เหมือนอย่างร่างของสัตว์ที่ตายแล้วมีบรรดาพวกสุนัขพวกแกล้งพวกกามายื้อแย่งกันกินอยู่นั่นเองตัวไหนมีกำลังมากกว่าตัวนั้นก็ได้กินหลายตัวใดมีกำลังน้อยกว่าก็ได้กินน้อย สูกสูเขาที่มีกำลังมากไม่ได้อันนี้ก็นบอบเป็นความจริงแท้ๆเหมือนอย่างคนที่แย่งรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสกันอยู่ในโลกนี้แย่งความร่ำรวยหมู่นี้นะแย่งกันแย่งกันไปกันมาก่ฆ่ากันตาย เล่าเลยไม่ได้สมประสงค์ทอที่ตนตั้งไว้ว่าอยากได้สิ่งนั้นมาครอบครองแล้นี่ถูกคนอื่นเขาแย่งเอาไปบางทีตนก็ถูกเขาฆ่าตายเนี่ยลองพิจารณาดูนะอันนี้เนี่ยเรื่องตันหาอุปทานนะ เมื่อมันมีความอยากอยู่ในใจแล้วมันก็แสวงหาคิดว่าต้องแสวงหาเอาจนได้ในนี้ท่านเรียกว่าอุปท า, านจิตมันยึดมันถือมันไว้เพียงได้แสวงหาด้วยความยากความลำบากกลากกรรมแดดก็ไม่ว่าฝนก็ไม่ว่า มันจะเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าไม่เหลือวิสัยแล้วผ็ไม่หยุดไม่ได้ต้องแสวงหาอยู่อย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสว่ารู้จักความดับทุกข์นักปราดผู้มีปัญญาทั้งหลาย ท่านรู้ว่ามาดับความอยากนี่เสียได้แล้วความทุกข์ทางจิตใจก็ไม่มีเท่านั้นเองถ้าความอยากของจิตใจยังยังไม่อยู่ตราบใจแล้วความทุกข์ทางใจมันก็มีอยู่ตราบนั้นอันนี้ก็บรรภีนาดูสิมันจะเป็นความจริงหรือไม่มันก็เป็นหน้าที่ของ ผู้ฟังผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะพึงพิจารณาให้รู้ให้เห็นโดยตนเองถ้า ต, ตนไม่เห็นโดยตนเองแล้วมันก็ไม่เชื่อมันก็ละตัญหานี่ไม่ได้หรอกถ้าผู้ใดรู้จักว่าความทุกข์อยู่ที่ใจใจมันอยากได้อะไรตัวใดมันยึดถืออะไรตัวไดไว้แล้ว มันไม่ได้เป็นไปตามใจหวังก็เป็นทุกข์อย่างนี้นะพอพิจารณาเห็นอย่างนี้เราเอา้าความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนะอยู่ที่ใจต่างหากความทุกข์ไม่ใช่อยู่ข้างนอกเลยความทุกข์อยู่ที่ใจอยู่ที่จิตนี่ต่างหากถ้าจิตนี่ละความอยากความปรารถนาลงเแล้ามันก็ไม่ทุกข์ไม่กังวล ไม่ดิ้นลนกระสับกระสายเกินประมาณเลยบระเี้แวะก็สามารถถือสันตุสียินดีตามมีตามได้ในปัจจัยทั้งสี่ได้เลยหมายความว่ า, วาเมื่อแสวงหาในทางสุจริตได้มาแสวงหาเต็มที่แล้ว ได้มาเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สวยอยู่เท่านั้นท่านอย่างนี้แล้วความทุกข์ทางใจมันก็ดับลงไปเรื่อยๆเนี่ยทัศนาความทะยานอยากทั้งหลายมันก็ดับลงเพราะมันเห็นความสงบใจอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วโอ้ เมื่อจิตใจเมื่อจิตนี่ไม่อยากได้อะไรแล้วมันเป็นสุขคิงๆิงหนอมันก็รู้ชัดขึ้นมาอย่างี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่คิดอยากได้อะไรเสียเลยนะไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายความว่ามันคิดอยากได้อะไรต่ออะไรเกินภูมิเกินฐานะ เกินว่าสนาบา ร, รมีของตนไปนี่มันจึงได้เป็นทุกข์เพราะว่าคิดอยากได้แล้วมันไม่ได้เนี่ยมันจะมาให้เป็นทุกข์ยังไงแล้วนี่เนดะีนมีบุญน้อยอย่างนี้นะเห็นเขารวยอยากรวยเทียมบาทเทียมไหลเขาผู้มีบุญ เมื่อไม่ไม่ได้สมประสงค์แล้วก็เป็นทุกข์ละจิตใจว่านี้บางคนก็เลยไปท่องสุมกันเป็นโจรที่ปล้นเอาสมบัติของคนอื่นที่เขาหามาได้ด้วยอำนาจแห่งปัญญาหรือด้วยอำนาจแห่งบุญวาสนาที่เขาทำมาแต่ก่อนไอ้ตนไม่มีบุญนี่มันกะ สหาแย่งเอากับเขากับคนอื่นเขาอย่างนี้นะชื่อว่าก่อทุกข์ให้แก่ตนและผู้อื่นมากมายนี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหามันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นได้ในกายในจิตของปุคคลผู้สะสมตัณหาบทที่สุด ความอยากให้ร่างกายนี่สวยสดงดงามอยู่เรื่อยไปไม่อยากให้มันชำรุดทรุดโทรมเท่าแก่ชลา ง, ง่ายก็พยายามทนุบำรุงพยายามตกแต่งมันออผมธรรมดาธรรมชาติของมันมันเป็นอยู่อย่างนั้นก็ไม่พอใจ มีเงินมาเท่าไหร่ก็ไปจ้างสร้างเขาดัดเขาแต่งให้ผมเคยเรียบราบก็ทำให้มันยุ่งเหยิงไปอย่างนี้แหละมันจะมาให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วเล้วองเงินทองกระหามาได้จำกัดก็แบ่งไปใช้อย่างโน้นบ้างแบ่งไปใช้ทางนี้บ้าง เดี๋ยวก็หมดแล้วไม่มีเงินก็เดือดร้อนแล้วต้องได้ดินด้นรนสแสวงหาอยู่นั่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความดับตัณหาได้สิ้นเชิงทุกข์ก็ดับไปหมดเลยนี่ก็ลงพากันพิจารณาดู แต่ทีนี้บุคคลที่จะละตัณหานี่ได้มันไม่ใช่ว่าจะละเอาได้ง่ายๆโดยไม่ต้องทำความดีอะไรอย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะตัณหานี่มันก็มีอิทธิพลมันก็มีอิทธิพลไม่ใช่น้อยดังนั้นบุคคลผู้ไม่ สั่งสมบุญกุศลให้มากมันก็เอาชนะตัณหาไม่ได้เลยผู้ใดมีบุญคุณมีบุญมีคุณเป็นกำลังใจใจก็เข้มแข็งแม้ตัณหามันมาชวนอยากได้อั น, นั้นอยากได้อันนี้ก็ไม่ตามมันเลยยืนหยัดอยู่โดยลำพังตนเองได้ มาชวนให้อยากฉันก็ไม่อยากฉันจะจงอยากในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นแล้วก็รู้เท่ า, วาความอยากกันด้วยไม่ใช่ว่าไม่อยากเลยเช่นอยากข้าวอยากน้ำอย่างนี้นะอยากหลับอยากนอนอย่างนี้ที่จัดว่าเป็นตัญหาไม่ได้ก็มันเป็นธรรมชาติของมัน แต่ว่าเหตุที่มันจะเป็นตัณหาได้คันว่าอยากนอนอย่างนี้ก็นอนจนเกินขอบเขตอย่างนี้นะไม่ถึงเวลานอนก็นอนไปอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ประกอบความเพียรภาวนาละกิเลสตัณหาจะอย่างไดบุคคลผู้นอนมากนั่นนะกับเป็นอาหารของตัณหาอย่างหนึ่งแหละการ น, นอนมากนี่นะ ทำให้ทันหาอ้วนพีขึ้นมาเหมือนเป็นงั้นอ้าวทันหาความอยากอาหารอยากอาหารแล้วถ้ารับประทานมากเกินประมาณมันก็ให้โทษมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละเนือรับประทานอาหารอันป น, นีตปนจงซึ่ง ตนมีเงินทองเล็กไม่มากพอจะไปซื้อเอาอาหารอันประณีตปัญจงนั่นมารับประทานมีเงินเพียงเล็กน้อยก็ไปเอื้อมซื้อเอาอาหารอันราคาแพงๆนุ่นมารับประทานอย่างนี้นะทันหาในอาหารไม่รู้เท่าไม่รู้จักประมาณในอาหารมันก็ก่อให้เกิดทุกข์ แนอนทีเดียวอ่ะมันอย่างนี้แหละอยากได้ผ้านุ่งผ้าหม่มมานุ่งมาหม่มห้าหากคว้าอยากได้เกินกำลังทรัพย์ของทนไปมันนี้ก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันนะแล้วก็ว่าอันตหาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดในที่นี้ หมายถึงว่าตันหาความอยากอยากเกินขอบเขตเอาสรุปลงไปอย่างนั้นไม่ไม่ได้อยากอยู่ในขอบเขตไม่รู้จักประมาณในความอยากนั้นอย่างนี้นะมันถึงได้เกิดทุกข์เหมือนอย่างบุคคลผู้ครองเรือนอมีผัวมีเมียมาแล้วก็มันยังไม่พอใจ มันไปเห็นหญิงอื่นชายอื่นเข้าไปแล้วก็ยังชอบใจกับหญิงอื่นชายอื่นอยู่ร่ำไปอย่างนี้นะเมื่อชอบใจอยู่อย่างนั้นเงินทองมีเท่าไหร่มันก็ต้องจ่ายไปเพื่ออันนั้นเมื่อเงินทองไม่มีแล้วมันก็เป็นทุกข์เกิดนอน นี่แหละความยากอันไม่รู้จักประมาณนะถ้ารู้จักประมาณมันก็ไม่ทุกข์หลายก็ยินดีอยู่ในสามีภรรยาของตนโดยเฉพาะเข่านั้นบังคับจิตใจให้ให้มันมีความรักอยู่ในขอบเขตจำกัดเช่นนั่นนะ่ะมันก็ไม่เป็นทุกข์หลายและก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาทกัน อันบุนีนะอาารก็ผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยนะึึงไม่ควรละเลยควรพิจารณาให้มันละเอียดทีท่วนลงไปมันจึงจะเห็นความอัศจรรย์แห่งพระธรรมคำสอนของพระเจ้าว่าข้าองค์ทรงแนะนำสั่งสอนนี่ล้วแต่มีเหตุทั้งนั้นเลย ไม่ใช่ไม่มีเหตุอืมันก็เห็นได้ชัดเลยมีเหตุที่ควรละควรปล่อยควรวางนัินมันก็ละได้วางได้มันเห็นด้วยปัญญานี้เยอะมันนะถ้ามันไม่เห็นด้วยปัญญาอย่างนั้นมันไม่ยอมไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแล้วอืมมันก็ยึดถือเอาไวอ้อยู่นั่นเนี่ย เมื่อจิดเถือเอาว้อยู่ตราบใดทุกมันก็ต้องมีอยู่ตราบนั้นแหละเปบ่งันถ้าเป็นนักบวชแล้วอย่างนี้มันจำเป็นต้องละความอยากให้ได้โดย ก, การทั้งพวงเลยสำหรับกระลือหัดแล้วก็เรียกว่ามีการผ่อนผันหยวนยานไปบ้างแต่ทรงพี่นาเห็นแล้วว่า ความอยากพอประมาณนี่มันก็ไม่พาไปสู่นรกอบายภูมิเพียงแต่ว่าพาให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในมนุษย์นี่อยู่ในสวรรค์เท่านั้นแหล ะ, ะเมื่อบุคคลบำเพ็ญบุญกุศลบำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่นอยู่แต่ก็ยังละกา ม, มาคุณไม่ได้ แต่บริโภคกรรมวคคุณอยู่ในขอบเขตแห่งศีลแห่งธรรมเช่นนี้โดยจิตใจนั่นผักไข่หรือว่า ย, ายึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งโยไม่ทอดธุระเรื่องบุญคนไม่มีความเห็นผิดรักษาความเห็นถูกไว้ให้ได้เสมอเห็นว่า บุญมีจริงบาปมีจริงอย่างนี้นะเมื่อบุญมีจริงก็บุญอํานวยผลให้เป็นสุขก็ขพยายามขวนๆสั่งสมบุญกุศลไปเมื่อเห็นว่าบาปมีจริงบาปท่านอํานวยผลให้เป็นทุกข์จริงเมื่อเห็นแจ้งอย่างเนีนะ้มันก็ไม่ต้องทำบาปกันในบันนี้ก็ต้องละบาปกันออกไป ถ้าได้ลุ่มหลงทำบาปอะไรมาแต่ก่อนก็อธิษฐานใจละเว้นอธิษฐานใจว่าจะไม่ทำบาปอย่างนั้นต่อไปอีกเช่นนี้นะเมื่ออธิษฐานใจอย่างนี้บ่อยๆเข้าใจไม่ชอบแล้วบาปมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่เห็นโทษของบาปนั่นทนทำบาปมาแล้วกว็เฉย แล้วไม่อธิษฐานใจละเว้นบาปนั้นเลยอย่างนี้นั่นแหละบาปนั้นเนี่ยมันจึงติดตามไปสนองให้เป็นทุกข์ระบาดนี้นะอืมันบาปอย่างเบาเนี่ยเมื่อบุคคลได้รู้ตัวแล้วเห็นโทษเข้ามาแล้วอธิษฐานใจละเว้นแล้วมันหมดไปได้จริงๆไม่เช่นนั้นแล้วพระศาสดาไม่ทรงสอนเลยอ ยันนขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายชงมาใส่ใจเรื่องบาปเรื่องบุญนี้ให้มากๆเลยทีเดียวถ้าไม่ละบาปไม่บำเพ็ญบุญให้งอกงามเจริญขึ้นในตนเช่นนี้ตนก็พ้นทุกข์ไม่ได้จริงๆเหมือนบุคคลเดินทางไกลไม่มีเบียงกลางติดตัวไป เช่นนี้มันก็ต้องได้รับความยากลำบากเลยอย่างนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยอันบุคคลผู้ท่องเที่ยวไปในสงสารนี่ถ้าหากว่าไม่มีบุญกุศลเป็นสบียงกลางท่องเที่ยวไปก็เป็นทุกข์เลย เหมือนอย่างคนที่เป็นทุกข์ทั้งหลายในโลกนี้เกิดมาแล้วก็ไม่มีสมบัติพัสส์านไม่มีลาบมียศอะไรเลยไอ้เช่นนี้เพราะเหตุใดเพราะแต่ก่อนไม่ได้สร้างบุญกุศลติดตามตนมาเพราะฉะนั้นตนมาเกิดในชาตินี้มันถึงไม่มีความสุขสบาย ไม่มีลาบไม่มียศไม่ได้รับความสรรเสริญเยือนยอจากคนอื่นอันบุคคลจะถึงซึ่งพระนิพพานได้ก็ต้องมีบุญกุศลนี่เป็นกำลังเมื่อทำบุญกุศลมากเข้าไปเท่าใดจิตใจมันก็สูงขึ้นออมันก็เห็นโทษแห่งกันหามากขึ้นเท่านั้น เมื่อบุคคลทำบุญกุศลสั่งสมบุญมากๆเข้าไปเท่าไรตันหาความทยานอยากมันก็เบาลงไปอย่างนั้นเพราะเหตุว่าบุคคลผู้นั้นมีบุญมีคุณเป็นเครื่องอยู่ในใจเป็นอาหารของใจแล้วใจมันได้ความสุขสบายแล้วมันก็อิ่มที่แบบ น, นี้นะนัะ่นแหละ แม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติเพียงเล็กน้อยมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะมันอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนั่นแล้วจิตใจมันจะไปเดือดร้อนกับอะไรแล้วอืมไอบ้บุคคลที่ไม่บุญกุศลคุณพระรัธนกาลมีใจใจน้อยอย่างนี้นะแม้ว่าบุคคลพวกนั้นจะมีเงิน มากไม่พอปันใดก็ตามความอิ่มในเงินนั้นก็ไม่มีมีแต่อยากได้มากกว่านั้นไปล้ำไบเลยอย่างนี้อันผู้ใดมีบุญกุศลอยู่ในใจมีคุณพระรัตนาไกลเป็นที่พึ่งอยู่เมื่อมองเห็นผลแห่งบุญกุศลมัน อำนวยให้เป็นถุกจริงๆอย่างนี้มันก็มีปัญญามันก็คิดเห็นได้ว่าอันบุญกุศลเท่านี้ยังอำนวยความสุขให้ยั่งยืนไม่ได้เลยจาเป็นเราจะต้องสร้างบุญกุศลเพิ่มเติมเข้าให้มากๆเลยอย่างนี้มันถึงจะมีความสุขมากมันถึงจะพ้นทุกข์ไปได้ นี่ถ้าบุคคนใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วแน่นอนนะผู้นั้นก็ไม่ประมาทในการบำเพ็ญบุญกุศลแม้ว่าชีวิตนี้จะไม่เจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสนเสริญและความสุขกายสบายใจอย่างที่คนผู้เขามีบุญกุศลหนลังตกแต่งให้ ก็ตามก็พยายามสั่งสมบุญกุศลขึ้นในใจให้เต็มความสามารถอยู่อย่างนั้นแม้จะไม่ร่ำรวย ม, มั่งมีกับคนอื่นเขาก็ไม่น้อยเนื้อตำใจไม่ได้อ้างว่าตนนั่นไม่มีเงินมีทองมากแล้วตนจะไปทำบุญได้ยังไง เห็นไหมเขาว่ามันมันมันไม่ถือสาเลยเรื่องนี้นะมันไม่ถือมั่นเลยเอาตนมีอัตภาพร่างกายนี้แล้วได้รับบรดกจากมารดาบิดามาแล้วมารดาบิดาได้มอบมรดกอันร่ำค่าให้แล้วเมื่อคิดเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ ทำความดีด้วยกายด้วยวาจาโดยใจไปไม่ทำชั่วเท่านั้นเองอเว้นจากกรรมชั่วทั้งหลายดังที่เคยแสดงมาแล้วมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นมีการดื่มสุราเมลัยเป็นที่สุดเมื่อมาเว้นจากกรรมชั่วเหล่านี้ไปเรื่อยๆไปแล้วเมื่อกรรมชั่วเหล่านี้มันไม่มีแล้วอย่างนี้ แล้ก็ไม่มีไม่มีกรรมเวรอะไรจะตามสนองให้เพ็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าเลยอย่างนี้นั่นแหละกุคนก็จะได้มองเห็นคุณค่าแห่งบุญแห่งคุณอันประเสริฐนี้ว่าจะนำเราให้พ้นทุกข์ไปได้จริงๆเพราะมันเห็นผลในปัจจุบันนี่อยู่นี่ทำบุญกุศลแล้วปฏิบททัติธรรม ทำใจให้สงบระ ง, งับลงไปแล้นี่มันก็มีความสุขสบายอยู่พอสมควรทีเดียวนี่แหละมันมันเห็นชัดอย่างนี้แลว้ว่าความสุขทั้งหลายแหละในโลกนี้นะเมื่อเอาการทําใจให้สงบระ ง, งับจากกิเลสนะ้อยใหญ่ทั้งหลายนี่นี่เป็นความสุขอัน มีรสชาติกลมกรอมทีเดียวมีความสุขอันยั่งยืนนานผู้ใดเห็นความสุขดังกล่าวมานี้แล้วผู้นั้นก็ไม่ประมาทแล้วภาวนาเลยฝึ ก, กจิตใจสำรวมใจทุกอิริยาบถเลยยืนเดินนั่มนั่งนอนกินเด่มพูดจาทำการงานอะไรก็ไม่ลืมจติตเติมใจตัวเอง ยอมมีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตที่มันตั้งมั่นอยู่แล้วให้ตั้งมันม่นสมัำเสมอไปเรื่อยเหมือนอย่างทำนบที่เขาทำแข็งแรงแล้วน้ำจะ ก, กระทบกระทั่งมายังไงมันก็ไม่พังฉันนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อจิตใจมันมีสมาธิตั้งมัน่น อยู่แล้วนี่มีปัญญาตำกลับอยู่พร้อมเช่นนี้แล้วเรื่องสรรเสริญเรื่องนิ้นทา้าเรื่องเสริมลาบเสริมยศเรื่องความทุกข์ทางกายเรื่องจากโรคภัยเบียดเบียนอย่างรุนแรงหมดนี่มันก็ไม่หวั่นไหวเลยนะจิตใจที่มีความสุขอยู่ในธรรมแล้ว แล้วเรื่องอะไรจะไปยึดถือเอาเรื่องทุกข์เรื่องไม่เที่ยงมายังยืนนั่นมาเป็นอารมณ์อยู่มันก็ไม่ไม่แล้วเพราะมันมองเห็นว่ามันเป็นทุกข์ถืนไปยึดเอาของไม่เที่ยงมาเป็นอารมณ์มันก็เป็นทุกข์หรือไปยึดเอาเรื่องชั่วมาเป็นอารมณ์มันก็มีแต่ทุกข์แต่ร้อนอย่างนี้นะมันเห็นความดีที่เกิดขึ้นในจิตใจ จนว่าใจสงบระ ง, งับแล้วอย่างนี้มันก็อยู่เลยมันก็อยู่กับบุญกับคุณใบบันนี้จิตนี่นะสงบอยู่กับบุญกับคุณเยือเกเย็นอยู่กับบุญกับคุณแล้วก็อยู่ด้วยปัญญาบะนี้เมื่อมีเหตุอันใดกระทบกระทั่งมามันก็รู้เท่าทันมันก็มีอุบายสอนใจให้ละเหตุแห่งทุกข์ด้านนั้นไปเลือ่อยไป ไม่ยอมสะสมเหตุแห่งทุกข์นั้นไว้ในใจเลยนั่นแหละเมื่อเหตุอะไรมาถึงเขากำหนดละเลยไปละเลยไปจิตนี้มันก็เลยเป็นปกติอยู่สม่าเสมอไปอมันก็ไม่มีทุกขอ์อยู่ประจำวันเวลาก็ดี นี่แหละเราก็ขอให้พากันพยายามทำใจของตนให้ว่างจากความอยากความปรารถนาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อาศัยการทำสมาธิการเจริญปัญญาดังกล่าวมานี่แล้วผู้นั้นก็จะมีความสมหวัง ในการที่เรานับถือพระพุทธศาสนามานี่ก็จะไม่ผิดหวังเลยก็จะอำนวยผลให้เราเป็นสุขให้ดวงจิตนี่เป็นสุขสบายยั่งยืนถาวรตลอดไปดังแสดงมา